ธรรมชาติธรรมชาติใครคนจะเก่งขนาดไหนถ้าธรรมชาติมันเล่นงานแล้วเราสู้กับมันไม่ได้แล้วเหมือนกับศินามิอย่างนี้นเราคาดไม่ถึงเหมือนกันพอมันมาจริงจริมนุษย์ชาติก็เลยเหมือนกับมดตัวหนึ่งเลยไม่มีปัญญาที่จะสู้มันได้ลอยน้ําพกป๋อมเลยผลที่สุด ตายเป็นเบื่อเลยว่างั้นท่ะาอทั่งคีอมนุษย์มีที่กันที่หลบที่หลิกมีปัญญาแต่พอเข้าจริงๆไปแล้วเวลามันเอาเอ า, เอาบาดเพอทเฉยเลยเอาบาดเพอแล้วผ็แผ่นดินไหวอย่างนี้ยที่ตายเยอะๆกับมนุษย์คือเป็นผู้มีปัญญาคนหนึ่งแต่พอเข้าจริงๆมัน ท, ทนไม่ไหวเหมือนกัน หลบไปที่ไหนมันก่อนธรรมชาติมันเปลี่ยนมันก่อนหินมันเิ่งมันทับตึกร้านว่านช่องหักถล่มลงมานีไม่ทันเวลาหลับเวลานอนใครๆก็หาที่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละในขณะนั้นแต่มันหาไม่ได้หาไม่เจอมันสระพนวุ่นวายไปหมดผลไม่สุดกอประสบภัยเทบตตายกันเป็นบือ ที่เราพวกเราได้เห็นสรุปแ้วก็กคือกรรมในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยกรรมคือการกระทําเหมือนกันนะคงจะเคยทำอะไรไว้ในอดีตชาติหลวงตามหาบัวเคยพูดตามเม่จกีงมนุษย์ปนาเราเนี่ยพูดอะไรก็ชอบเห็นแก่ตัวเท่านั้นถ้าคิดเป็นธรรมชาตินะแต่ถ้าเราไปพูดมันก็เหมือนกับ แกล้งหรือว่าย่ยสังคมลักษณะอย่างนั้นแต่ตามมจริงถ้าคิดใจเป็นกลางจริงๆธรรมชาติจริงๆเวลาเราไปฆ่าเขานะ่ะกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแต่ละวันคิดดูสิปลาที่ขนขึ้นเรือนะมันเท่าไหร่ชีวิตนะถ้าคิดเป็นชีวิตออกมาแล้วแต่เวลาคนของคนของเราตายเนี่ยเป็นน้อยเป็นพันเท่งนั้นเอ น้องโอกอ้าเขามันตายมากแต่พวกสัตว์ตายเนี่ยนี่ที่น้ำมือของเราไปฆ่ามานันขนาดไหนทั้งนอันนี้ถ้าคิดโดยเป็นธรรมนะเอาใจเป็นกลางเขาคิดแต่ถ้าหางว่ามนุษย์มีคุณค่ากว่าสัตว์เนี่ยพอยกตัวเองขึ้นมาถ้าว่าใครอยู่ในสถานะไหนสัตว์พึงกว่า ม, มันเป็นผู้เลิศกว่าใครๆทั้งหมด เพราะกิเลสโดยมากมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวกิเลสใครอยู่ในคนจนก็มากคนจนสาคัญคนรวยก็บอกคนรวยสาคัญใครอยู่ในยังไงก็ใครว่าสาคัญของใครของเรานะ่ะสรุปแล้วก็คือสาคัญทุกคนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ฆ่าสัตว์ เราก็สําคัญคนอื่นคนสำคัญสัตว์ก็สําคัญตัวเล็กตัวน้อยสําคัญคนทุกคนจนสําคัญคนมั่งคนมีสําคัญคนนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายใครใครก็กลัวตายทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่าไปฆ่าสัตว์จะไปฆ่ากันอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้สาธุรสิทธิ์และพุทธบริษัทปฏิบัติตาม พวกเราทุกองนะทั้งพระใหม่พระเก่านั่นแหละให้ทั้งอกตั้งใจภาวนาพยายามทําให้ต่อเนื่องทําให้สืบเนื่องทําให้ต่อเนื่องแล้วพยายามทําให้นานอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกให้เปลี่ยนนาส่งจิตเข้ามาข้างในให้มีสติอยู่กับตัวเองบางองว่านั่งจะนั่งนานเท่าไหร่ ก็นั่งนานเท่าที่จะนานได้หลวงตามหมาบัวนั่งตลอดทั้งคืนเลยอนั่งทั้งคืนฟังเด็ต่างๆหัวคำ่ำนั่งกสมาธิไม่กระดุกกระดิกเลยท่านบอกอธิษฐานในจิตเลยจะไม่ลุกเด็ดขาดถ้าไม่สว่างถึงมันจะขี่มันจะเยี่ยวก็ตามให้มันขี่ทลักออกไปเลยเถอให้มันเยี่ยวออกไปเลยแต่สมัยเราเป็นเด็กเรา ที่เราเยี่ยวใส่ผ้าพ่อแม่ยังไปซักให้ได้แต่บัดนี้เราซักเองได้เราจะไม่ลุกถ้ามีข้อแม้ว่าถ้าปวดเยี่ยวจะลุกถ้าปวดถ่ายจะลุกเนยมันก็จะได้โอกาสได้ช่องไม่ลุกเด็ดขาดจนกว่ามันจะสว่างอันนี้คือลมตาท่านพูดท่านเด็ดเดียวนะในพวกเราก็ฟังเอาไว้นะ ถ้าปฏิบัติได้คดีถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็เอาสักครึ่งครึ่งกลางกลา ง, ง, งพยายามอดทนไปจนเหลืออดแต่ยังค่อยออกก็ได้เวลานั่งปวดไห ม, มก็ต้องปวดปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดที่มันทับกันเวลาปวดทํายังไงทํามันปวดมากแล้วก็ขยับซะ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 ท่านให้พิจารณาเอาจิตจ่อตรงนั้นแหละตรงที่มันปวดนั่นกำหนดดูตรงนั้นแล้ว น, น, นเวทนาเวทนาสักตว่วเวทนาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขามันเกิดขึ้นมาแล้วกระดับไปมันไม่เที่ยงเหมือนกันเวทนาสักก็เวทนาเวทนาตัว น, นี้ทำไมมันยังปวด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 เรียนจากอาจารย์ใหญ่อย่างนั้นเลยศพร้องอุอยไอไหมร้องอูกล้องอากไหมร้องเจ็บร้องปวดไหมกระดุกกระดิกไหมไม่เพราะเหตุอะไเพราะใจไม่อยู่ที่นั่นความรู้สึกไม่อยู่ที่นั่นเพราะนั้นอันนี้ก็คือเวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาอย่าเอาใจเข้าไปแบบ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 ได้หรือควมนาแยกแยะได้นะ่มันแยกได้นะคือมันจะไม่ทุกข์มันไม่เวท น, นานั้นจะไม่มาเจ ย, ยบจิตใจเราการภาวนาที่แยกกายออกจากจิตแยกจกิตออกจากกายเนี่ยจะมีประโยชน์เมื่อเวลารับขันหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเวทนากล้าขึ้นมาเนี่ยกาหนดจิตดูดูกาย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 ต้องในภาวนาต้องได้ฝึกมาแล้วอย่างดีจึงจึงจะทําตรงนั้นได้เพราะนั้นเวลาให้ขา้าวห้านต่อแตะของเวทนาเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝึกสู้ซะ ก, ก่อนแลราะนั้นแต่ต่อมาแล้วก็ เ, เป็นเด็กเวทนารุ่มเวทนาคน กำลังบางชาวโคตรแสเบชนะเข้ามาเนี่ยเราสู้ไม่ไหวอยงนั้นเถอะเอียเพราะนั้นเราต้องสู้แต่ตัวเล็กๆซะก่อนเนีสู้ตนปวดแข้งปวดขาหิกวกระหายอปวดนั่นปวดนี้อตอนนี้นเราสู้ตัวนี้ซะก่อนแต่เราสู้ชนะไปเรื่อยๆชนะไปเรื่อยๆใหญ่ยยขึ้นใหญ่ยยขึ้นใหญ่ยยขึ้ น, ยยนท่นีอ โคดแทวเวทนาขนาดไหนมามาเทาปานี้เอาชนะมันได้พอเราเก่งแล้วมันมาหน้าไหนเรารู้เลยเลยอย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านว่านั่งภาวนาโอ้โหนั่งจนตัวสั่นนันหมดเอาชนะมันได้ไรู้มันได้พิธีการแก้มันกับเวทนาทำยังไง พอเอาชนะมันได้รู้มันได้ดังนีใจออกจากร่างกายไม่รับรู้มันแล้วท่านบอกว่าพอเอาชนะมันได้กว่าเหนือกว่าเวทนานแล้วใจเหนือ ก, กว่าเวทนานแล้วมันอาจฐานขึ้นมาทว่าเวทนา น, น้าไหนจะมาหลอกเราอีกได้วะาให้แค่ปท้าทายใจมันเลยอันนี้คือไม่ไม่รับรู้ไม่รับทราบ เวทนาสักว่าเวทนาเวทนาตัวนั้นไม่สามารถที่จะมาบีบบังคับจิตใจได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ฟังไว้นะแล้วทดลองดูถ้าเราไม่ใส่ใจเสียเวทนามันก็ไม่ทุกมากนะแต่ถ้าเราไปแบกมนันว่ามันทุกสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วนั้นแหละเอผ็ดห น, นบเล ย, ยนั้นแหละเพราะฉะนั้น วิธีการนั่งภาวนาสู้เวทนาต้องสู้ลักษณะอย่างนี้เวลาภาวนาเข้าไปมันต้องเจ็บต้องปวดคนไม่ตายจะไม่ให้เจ็บปวดได้ยังไงมันต้องเจ็บแต่ต้องอดทนยังไงต้องมีวิธีกาหนดดูเวทนากายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ในกรอบของสติปัฏฐานสี่จิ ต, ตเป็นยังไงกาหนดดูจิตจิตนึกคิดเรื่องอะไร ตามจิตให้ทันตามความรู้ให้ทันขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรเอาสติตามให้ทันแต่โดยมากถ้าว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกก็ยังไม่ทันอยู่แล้วจะกําหนดจิตทันเนี่ยมันโดยมากจะไม่ค่อยทันมีแต่คว้าน้ําเหลวตะคุบเงาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นท่านเอง อ, อุบาจารย์สายองค์หลวงปู่มัน่นท่านให้กาหนดลมหายใจคือเอาของหยาบซะก่อน ถ้าพอกาหนดลมหายใจเข้าอยู่นับอยู่ได้จับลมเข้าใจได้จับเวลาไหนได้เวลานั้นจะได้เริ่มจับจิตได้เล ย, เลยนึกคิดเรื่องอะไรจะทันมัน่ะเอสติจับทันนะแต่ไหนจับจิตเพราะงั้นเถะแต่ถ้าหาว่าจับลมหายใจเขาออกก็ยังไม่ทันเยจะไปคิดจับจิตกำหนดจิตดูโดยมากพิจตสคตุบเงาทั้งนั้นอะ่ะมันไปที่ไหนแล้วยังคว้าขี้ควาขี่ขขหงงางงงางาเพางั้นเถอะ จะไปตามหาจิตแต่ที่ไหนไมันไปที่ไหนแล้วมีมากจะไม่ทันเพราะนั้นจิตตามมุปัชนาสติปัฐานเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดแต่สําหรับผู้ฝึกหัดจนชงนิชนานาญหรือชาชองแล้วจะจับได้ทนันไม่มีปัญหาแล้ะทำมามุพปชนาสติปัฐานทำมารมที่เป็นส่วนดีเรียว่ากุศล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 อันนี้เราก็ให้รู้อถ้าเรากำหนดดูราจะรู้สิ่งที่มากระทบจิตอันนี้ก็คือกรอบของสติปัฏฐานสี่การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนะอันนี้แหละคือหลักใหญ่ที่จะพิจารณากรรมฐานแต่พวกเรากำหนดลมน่ยก็คือพิจารณากายเนะี่ยลมคือก า, กายกายก็คือลมลกำหนดลม ให้มันหยาบดูกายของตัวเองการเคลื่อนไหวของตัวเองการก้าวเดินของตัวเองให้มีสติสรุปแล้วในการเคลื่อนไหวของกายเรียกว่ากายานุปัชนาสติปัฏฐานเวทนาอนุปัชนาสติปัฏฐานเวทนาก็คือความเจ็บปวดปวดหิวกระหายร้อนหนาวเยน็นอะไรลักษณะเนี้ จัดว่าเวทนาหมดที่เรานั่งปวดแข้งปวดขาเนี่ยจัดว่าเวทนาเวทนาน่าจะแยกเข้าไปอีกมันเป็นเวทนาสองอีกเหมือนกันนะสุขกเวทนาทุกข์กเวทนาเวทนาตอนนี้มันเกิดกับกายก็ได้เกิดกับใจก็ได้ใจทุกข์เป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงเราเขารู้สัมผัสความทุกข์ของใจเป็นยังไง ความทุกข์ของกายเป็นยังไงเราก็รู้นะเพราะั้นทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงนี่ว่าเวทนาเวทนาของใจเวทนาของกายนะตามไม่จริงเวทนาของกายมันกับใจนะนะั่นแหะเป็นผู้มารับรู้ทำใจไม่มาออกมารับรู้กายมันกัสัจธว่ากายอย่างนั้นอนะ่ะเหมือนกับคนตายนะั่นอวัยวะทุกส่วนมันกับครบทุกอย่างหูตา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 โดยตปะธรรมกันกรองที่มันตัวเสนียดจันเลยเรียกว่าตัวก่อขวนคือกิเลสสกัดมันออกซะเหมือนกับเหล็กสนิมมันเกิดจากไหนสนิมมันเกิดจากเหล็กอันนี้คงเหมือนกันกิเลสมันเกิดจากใจใจกิเลสมันเกี่ยวเนื่องกันแล้วจะทํำยังไงถึงจะแ ย, แยกแยกมันออก จะทำยังไงจีจะให้เป็นเหล็กนั่นเป็นสตเตนเล็ดไม่ให้มีสนิมอันนี้ก็เหมือนกันจะทำยังไงจะกําจัดยังไงจะไม่ให้มีจิเลสในใจเห็นได้สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้ถอนอัตตานุิติคือตัวตนเสียปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นว่างปล่อยวางทั้งหมดต้องทำเท่านั้นนะต้องใช้ทำเท่านั้น ทาตัวนี้ไม่ใช่ทำธรรมดามหาสติมหาปัญญาทำเหมือนนันขันติธรรมปิริยะธรรมสัจธรรมครบหมดทุกอย่างจึงจะกาจัดกิเลส ต, ตัวนี้ออกจากกระเด็นออกจา ก, ก จ, จิตจากใจได้แต่พวกเราก็เพียงศึกษาให้รู้แนวทางนะกิเลสมันดิไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจ จัวใจตันนี้นคือนา ม, มาธรรมคือความโง่นะั่นแะไม่ไม่ไม่อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในใจความฉลาดอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในใจอันนี้ก็เหมือนกันฉนะลาดโง่คือกิเลสฉลาดคือความบริสุทธิ์เราจะทำยังไงจะเรียนยังไงจะฝึกยังไงจะขัดเกลายีาไ่ไงจะเอาชนะยังไงมันต้องใช้ สติใช้ปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนบรมีสิบทัศน์มัองั้นแอืะครบบริบูรณ์เลยจึงจะคาจัดมันได้นะขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะท่าอกตั้งใจภาวนาไปเรื่อยๆนนะแต่อย่าไปเครียดนะไม่ต้องเครียดทำไปเรื่อยๆถ้าเครียดจะยิ่ยงไปใหญ่เพราะธรรมะเนะี่ยมันภาวนานะี่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่จะบีบพอจริงๆมันก็ไม่ได้ห่างเหินเกินไปก็ไม่ได้ให้ใหท่านทาให้ต่อเนื่องใช้เลี่ยเหลี่ยมใช้สติใช้ปัญญาความรอบครอบดูเหมือนกขาล่อขึ้นบนเวทีเนี่ยเราจะมีวิธีการใย่นี้จะน็อกคู่ต่อสู้เราได้ยถ้าเราไปเครียดจะมากระโดดใส่กระโดดใส่เมืออเสียหลักให้มันเหมือนกันเนเสียหลักให้คู่ต่อสู้เหมือนกัน เราต้องหาจังหวะจะโคนแต่ตาของเราเนี่ยเป็นปสติของเราเนี่ยพร้อมอยู่เสมอนะทั้งสติทั้งปัญญามันขยับทางไหนมันขยิกหัวไหลถ้าเรารู้แล้วมันจะมันจะปล่อยหมัดเหมือนกันเ่ยเราจะโยกหลบทางไหนเราจะสวนยังไงแน่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันอนะ่ะการเคลื่อนไหวของจิตของใจงกับกิเลส มันอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าว่าปัญญาของเราไม่ทันมันกิเลสมันก็นกวันยังค่ำคืนยังรุ่งนั่นเป็นทาตาของกิเลสตลอดแต่ถ้าว่าใจของเราเข้มแข็งรู้วิธีการสติปัญญาศรัทธากามเพียรของเราพร้อมขึ้นมาเมื่ อ, อไร เ, เราจะนอกกิเลสลงจากใจของเรา ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแน่นอนมาก